จเจริญพรท่านผู้มีเจตเมตตากาุณาาใจบุญใจกุศลทุกท่กทกทานวันนี้เป็นวันเสาร์ที่18พภาคมพุทธศักรา2556เป็นวันที่ท่านทำลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เป็นพระรัตนาตรัย เป็นที่พึ่งที่สูงสุดของจิตใจการที่เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าจะทําให้เราสุขให้เราจเจริญหรือให้เราอยู่ห่างไกลจากความทุกข์ห่างไกลจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเพราะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เป็นเหมือนกับป้ายบอกทางเท่านั้นแต่เราผู้เดินทางต้องอยู่ที่เราว่าเราจะเดินตามป้ายที่บอกเราไม่ถ้าเราไม่เดินตามป้ายที่บอกให้เราเดินไปสู่ความสุขความจเจริญเดินไปสู่ความอ่างไกลจากทุกภัยอันตรายต่างๆเรากลับเดินสวนทางกับ ป้ายที่บอกให้เราเดินผลก็จะไม่เกิดความมีที่พึ่งก็ยังไม่เกิดความปลอดภัยจากภัยต่างๆก็ยังไม่เกิดการที่เรามีพระพุทธรูปอยู่ที่บ้านมีหนังสือธรรมะอยู่ที่บ้านมีรูปภาพของพระอริยสองฆ์อยู่ที่บ้านก็ไม่ได้หมายความว่าจบหัวป้องคุ้มครองรักษา ให้เร า, อ, าอยู่ห่างไกลจากทุกภัยต่างๆได้เพราะพระพุทธรูปก็ดีหนังสือธรรมาก็ดีรูปของพระอาจารย์ต่างๆก็ดีนั้นเป็นเพียงเครื่องเตือนสติเป็นเพียงผู้สอนเราเท่านั้นถ้าเราไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระธรรมคำสอน ของพระ อ, อริยสงสารโลกทั้งหลายเราก็ยังจะไม่มีที่พึ่งดังนั้นการที่เรามีพระพุพทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนั้นเป็นเหมือนกับเป็นผู้นาทางเป็นผู้สอนเราเราต้องเป็นผู้ปฏิบัติตามถ้าเราปฏิบัติตามแล้วเราก็จะได้รับผลที่เราปรารถนากันก็คือความสุข ความเจริญความแค็งแกร่งปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายต่างๆเพราะการกระทําของเรานล่ะที่เป็นเหตุที่ทําให้เราสุขให้เราเจริญหรือทําให้เราเสื่อมทําให้เราทุกข์ทำให้เราเดือดร้อน mm hmm. ดังนั้นเราต้องคํานึงถึงการปฏิบัติของเรา ไม่ใช่เพียงแต่มีพระพุทธรูปมีหนังสือธรรมะมีภาพของครูบาอาจารย์แล้วจะทำให้เราเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าถ้าเป็นอย่างนี้พวกเราคงจะเจริญกันหมดทุกคนแล้วเพราะเรามีพระพุทธรูปอยู่ในบ้านกับทุกบ้านมีหนังสือธรรมะเต็มไปหมดแต่พระพุทธรูปก็ดีหนังสือธรรมะก็ดี จะไม่สามารถทำให้เราเกิดความสุขความเจริญได้ถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ปฏิบัติได้ถ้าเราไม่เอาพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์ทั้งหลายมาเป็นแบบมาเป็นฉบับเป็นตัวอย่างเราก็จะไม่มีวันที่เราจะเจริญได้ ดังนั้นเราต้องศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนด้วยความเข่งครัดด้วยความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าเราปฏิบัติแล้วผลก็จะเกิดตามมาตามลำดับถ้าปฏิบัติมากผลก็จะเกิดมากถ้าปฏิบัติน้อยผลก็จะเกิดน้อยดังนั้นขอให้เรา พยายามศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆศึกษาพรพประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาประวัติของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายว่าท่านดำเนินชีวิตอย่างไรจึงทำให้ท่านได้มีความสุขความเจริญทำให้ท่านได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆถ้าเราศึกษา เราก็จะรู้ว่าท่านปฏิบัติและสอนให้เราทำบุญละบาปและชำระใจให้สะอาดโดยสุดเพราะนี่คือวิธีที่จะทำให้จิตใจของเราเจริญรุ่งเรืองทำให้จิตใจของเราหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆนั่นเองไม่มีใครสามารถที่จะปฏิบัติ แทนเราได้เหมือนกับการรับประทานอาหารไม่มีใครรับประทานอาหารแทนเราได้ถ้าเราไม่รับประทานเราก็จะหิวเราก็จะอดอยากขาดแคลนแต่ถ้าเรารับประทานเราก็จะมีความอิ่มมีความสุข ด, ดังนั้นขอให้เราดูการปฏิบัติของเราเป็นหลัก โดยอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเป็นแสงสว่างนำทางการทำบุญพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนว่ามีอยู่หลายอย่างด้วยกันการทำบุญนี้เป็นเหมือนการให้อาหารแก่จิตใจทำให้จิตใจมีความสุขมีความอิ่มมีความสบาย ปลอดภัยจากความหิวจากความอยากจากความทุกข์ต่างๆถ้าเราทำบุญได้มากเท่าไหร่เราก็จะมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นบุญนี้ก็มีอยู่สิประการด้วยกันแบ่งเป็นบุญที่เป็นบุญหลักที่จาเป็นจะต้องทำอย่างสม่ำเสมออยู่สี่ห้าประการด้วยกัน ส่วนบุญอีก4ี่หประการนั้นถือว่าเป็นบุญรองเป็นบุญที่มีโอกาสก็ทำไม่มีโอกาสก็ไม่ต้องทำเหมือนกับอาหารที่เรารับประทานสิ่งที่เรารับประทานต่างๆก็มีอาหารหลักและอาหารรองอาหารหลักก็คือข้าวกับข้าวนี่เป็นสิ่งที่เราต้องรับประทานกันทุกมื้อ แต่อาหารรองเช่นขนม เ, เครื่องดื่มผลไม้หรืออะไรต่างๆอันนี้เป็นของที่ไม่จำเป็นถ้าไม่ได้รับประทานก็ไม่เป็นไรถ้าเราได้รับประทานข้าวรับประทานกับข้าวได้ดื่มน้ำเราก็จะได้อาหารพอเพียงต่อการดูแลรักษาร่างกายแต่ถ้าเรามี ขนมมีอะไรต่างๆรับประทานเพิ่มเติมก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นปัญหาอะไรฉันใดการทำบุญนี้ก็มีการทำบุญที่เป็นหลักอยู่3สีส่ข้อด้วยกันก็คือ 1. การทำทาน 2. การฟังเทศฟังธรรม 3. การภาวนาอันนี้เป็นบุญหลักที่เรา ต้องทำกันและบาป ท, ที่เราไม่ควรจะทำก็คือการไม่ฆ่าสาัธวรักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีเสพสุรายามาพูดปลดมดเทปอันนี้เป็นบาป ท, ที่เราต้องละเว้นเป็นสิ่งที่เราต้องทำพร้อมๆกันไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทาานี้เราก็ทำไปตามกําลังของเรา ควจะฝึกทำทุกวันให้ติดเป็นนิสัยเพราะการทำทานจะทำให้จิตใจเรามีความเบิกบานมีความสุขมีความสบายใจวันไหนเราได้ทำทานแล้วเราจะมีความสุดใจสบายใจการฟังธรรมก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะถ้าเราไม่ฟังธรรมเราก็จะไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอน ให้เราทำอะไรกันและถ้าเราได้ยินได้ฟังเพียงครั้งสองครั้งแล้วไม่ฟังต่อเดี๋ยวสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาก็ลืมได้เราจึงควรฟังอยู่เรื่อยๆสมัยนี้เราไม่ต้องมาวัดเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนนี้ไม่มีเครื่องอัดเสียงต่างๆเวลาอยากจะฟังธรรมต้องมาที่วัด เพื่อมาฟังเทศของพระแต่ทีนี่มีการบันทึกเสียงเทศของพระต่างๆไว้มากเราสามารถเปิดฟังได้ทุกวันเลยถ้าเราได้ฟังทุกวันเราก็จะมีธรรมะหล่อ เ, เลี้ยงจิตใจคอยเตือนใจของเราให้รู้ว่าเราควรจะทำอะไรเราไม่ควรจะทำอะไรถ้าเราได้ยินได้ฟังอยู่เป็นประจำ เราก็จะไม่หลงไม่ลืมเราก็จะได้ทำแต่สิ่งที่เราควรจะทำและไม่ควรทำในสิ่งที่เราไม่ควรกระทำเช่นควรทำทานทุกวันควรรักษาศีลทุกวันก็คือควรละเว้นจากการฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติเป็ น, ป, นประเวณีโกหกหลอกลวงเสพสุรายามาถ้าเราทำถ้าเราละเว้นได้ เราก็จะไม่มีเรื่องราวต่างๆตามมาไม่มีวิบากกรรมตามมาถ้าเราทำทางอยู่เรื่อยๆเราก็จะมีความเอ่งใจสุขใจแล้วถ้าเราภาวนาได้ก็ยิ่งจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นเพราะการภาวนาจะเป็นการทาใจให้สงบเวลาใจสงบแล้วใจจะมีความสุข จะเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขต่างๆที่เราได้รับจากการไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือความสุขจากการได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆความสุขที่ได้จากการดื่การรับประทานการดูการฟังมหาสศต่างๆ ความสุขเหล่านี้เป็นความสุขที่ชั่วคราวเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในขณะที่ได้สัมผัสแต่พอผ่านไปแล้วก็จะหายไปหมดเป็นความสุขที่ไม่ได้ทำให้เกิดความพอแต่เป็นความสุขที่ทำให้เกิดความหิวต่อความอยากเพิ่มขึ้นเช่นวันนี้นถ้าเราไปเที่ยว เราก็มีความสุขพอพรุ่งนี้เราก็อยากจะเที่ยวเพราะความสุขที่เราได้รับจากการไปเที่ยวในวันนี้มันหมดไปความสุขที่เราหากันนี้เป็นความสุขที่ทำให้เกิดความอยากไม่ใช่ความสุขที่ทำให้เกิดความพอไม่เหมือนกับการภาวนาทำใจให้สงบเวลาใจสงบแล้วจะเกิดความพอ จะไม่อยากได้อะไรจะไม่อยากรู้อะไรจะไม่อยากฟังอะไรจะไม่อยากจะไปดื่มไปรับประทานอะไรนี่คือความสุขที่แท้จริงและเป็นความสุขที่จะอยู่ไปกับใจของเราไปตลอดหลังนั้นขอให้เราหันมาหาความสุขที่แท้จริงกันดีกว่าอย่าไปหาความสุข ที่เป็นเหมือนยาเสพติดที่เราต้องคอยเสพคอยสัมผัสอยู่เรื่อยๆเวลาใดที่เราไม่ได้เสพไม่ได้สัมผัสเวลานั้น <c oughs> เราก็จะมีความหลุด ก, กิจลำคาญใจมีความว้ า, กก ว, าวุ่นขุ่น ม, มัวมีความเศร้าซ้อยหงอยเหงามีความเบื่อหน่ายมีความว้าเวเพราะว่าไม่มีสิ่งที่เราอยากจะเสพ นั่นเองแต่ถ้าเรามีความสงบใจของเราจะไม่มีความว้าเวยไม่มีความเศร้าส้อยห้อยเหงาถึงแม้ว่าจะไม่ได้เสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพัชชนิดต่างๆอยู่ตามลาพังอยู่คนเดียวก็จะไม่เดือดร้อนอันนี้แหละเป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงได้ค้นพบแล้วได้นำเอามาสั่งสอน ให้แก่พวกเราทั้งหลายพวกเราถ้าอยากจะพบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวถความสุขที่ไม่มีความตุกไม่มีความอยากตามมาก็ขอให้เรามาหัดภาวนากันการภาวนานี้เคล็ดลับอยู่ที่สติถ้าเรามีสติควบคุมความคิดของเราได้ใจของเราก็จะสงบได้แต่ถ้าเราไม่มีสติ คอยควบคุมการคิดเวลาล่าสมาธิแล้วให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธแต่ใจจะไม่ยอมอยู่ใจจะไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ถ้าไม่อยู่กับพุโทโธเพียงอย่างเดียวนั่งไปนานสักเท่าไหร่ก็จะไม่มีวันที่จะสงบได้แต่ถ้าใจไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่กับพุโทโธตลอดเวลา เพียงหนาที10นาทีใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้ดังนั้นก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิมาภาวนาทาใจให้สงบสิ่งแรกที่เราต้องทำก่อนก็คือเจริญสติเราต้องคอยควบคุมความคิดตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยพอเราตื่นขึ้นมาก็อย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ นอกจากเป็นเรื่องที่จำเป็นจะต้องคิดถ้าไม่ใช่เรื่องจำเป็นก็ให้คิดแต่คำว่าพุโทโธพุธโทโธไปใจจะได้นิ่งใจจะได้สงบไม่ว่าเรากำลังทำอะไรถ้าไม่ต้องใช้ความคิดกับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่เช่นแปรงฟั น, นล้างหน้าแต่งเนื้อแต่งตัวหวีผ้าหวีผมเราไม่ต้องใช้ความคิดตอนนั้นเราก็ใช้พุโทโธ ควบคุมความคิดเอาไว้อย่าคิดเรื่องต่างๆเช่นเดียวกับเวลาที่เรารับประทานอาหารหรือเดินไปไหนมาไหนหรือทำอะไรกว่าบ้านถูบ้านซักเสื้อผ้าเป็นการงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดเราก็อย่าปล่อยให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ให้คิดอยู่แต่คาว่าพุทโธพุทโธไปเรื่อย แล้วเราใจของเราจะนิ่งใจของเราจะไม่คิดเรื่องราวต่างๆพอเวลาเรามานั่งสมาธินั่งบริกรรมพุโทโธพุธโทโธใจก็จะไม่คิดเรื่องอะไรแล้าเดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้นี่เป็นวิธีหนึ่งนะของการเจริญสติคือใช้คำบริกรรมพุโทโธพุธโทโธถ้าเราไม่ไม่อยากจะใช้คำบริกรรม เราจะใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้เวลาร่างกายกำลังทำอะไรก็ให้เราเฝ้าดูตลอดเวลาไม่ให้เราไปคิดถึงเรื่องอื่นให้รู้ว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้กำลังเดินก็รู้ว่ากำลังเดินกำลังนั่งก็รู้ว่ากำลังนั่งกำลังรับประทานอาหารก็รู้ว่ากำลังรับประทานอาหาร กำลังกวาดบ้านถูบ้านก็ให้รู้ว่ากำลังกวาดบ้านถูบ้านกำลังอาบน้ำแต่งเนื้อแต่งตัวกำลังแปรงฟันล้างหน้าก็ให้รู้กับงานที่กำลังทำอยู่เพียง อ, อย่างเดียวไม่ให้ไปรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้พอเรามานั่งสมาธิเราก็ดูลมหายใจเข้าออก ก็เพียงรู้แต่ลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าอยู่กับลมหายใจเข้าออกภายในหนาทีสิ น, สนาทีใจก็จะรวมเข้าสู่ความสงบได้พอใจสงบแล้วก็จะนิ่งจะเย็นจะสบายจะมีความโล่งอกเบาใจจะมีความสุขอย่างมาก จะมีความเป็นโอเบคาก็คือจะรู้สึกเฉยๆจะไม่มีอารมณ์กับสิ่งต่างๆถึงแม้ว่าจะได้ยินเสียงก็จะไม่มีอารมณ์กับเสียงถึงแม้จะรู้สึกว่าร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็จะไม่มีอารมณ์จะสามารถปล่อยให้ร่างกายอยู่กับความเจ็บไปได้ไม่ต้องขยับขยื่น ถ้าใจสงบเป็นอุเบกขาแล้วจะสบายไม่วุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆใครจะพูดอะไรใครจะทำอะไรก็จะไม่เดือดเนื้อร้อนใจนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการภาวนาเพียงแต่ว่าการภาวนาด้วยการนั่งสมาธิไม่สามารถทำใจให้สงบได้ตลอดเวลาเพราะออกจากสมาธิมา ใจก็จะเริ่มคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้แล้วถ้าไม่ควบคูมความคิดเอาไว้ก็จะเกิดความอยากขึ้นมาคิดถึงตู้เย็นก็อยากจะเปิดตู้เย็นหาอะไรมาดื่มหาอะไรมารับประทานถ้าอยากจะรักษาความสงบต่อไปหรืออยากจะให้ความสงบนี้เป็นความสงบที่ถาวพรพอออกจากสมาธิมาเราก็ต้องใช้ปัญญา ที่พระพเจ้าทรงสอนให้พิจารณาคือให้พิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้นี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะไม่เที่ยงเพราะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นทุกข์เพราะว่าเราไม่สามารถสั่งให้เขาเป็นไปตามความต้องการของเราได้เช่นเวลาที่เราได้แฟนมาได้คู่ครองมา เราก็จะคิดว่าเรามีความสุขเราจะได้อยู่กับเขาจะได้มีความสุขกับเขาแต่เวลาที่เขาเปลี่ยนไปเวลานั้นความสุขที่เราจะได้จากเขาก็จะเปลี่ยนไปด้วยเขาเคยดีกับเราแล้วเขาเปลี่ยนไปเขาไม่ดีกับเราอย่างนี้เราก็จะไม่มีความสุขกับเขาแล้วเราจะมีความทุกข์แล้วก็ เราก็ไปสั่งเขาไม่ได้แต่ห้ามเขาไม่ได้เขาอยากจะเปลี่ยนเขาอยากจะเป็นอะไรเขาอยากจะดีกับเราหรือไม่ดีกับเราเราก็ห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้นี่คือสิ่งที่เราต้องพิจารณาด้วยปัญญาถ้าเราเห็นว่าเขาเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเพราะเขาต้องเปลี่ยนไปแล้วเราก็ห้ามการเปลี่ยนแปลงของเขาไม่ได้ ถ้าราคิดอย่างนี้ไว้ก่อนลูกหน้าเวลาเราอยากจะได้คู่ครองเราก็จะเปลี่ยนใจว่าอย่าเอาดีกว่าเอามาแล้วเดี๋ยวจะต้องมาเสียใจในภายหลังเวลาเสียใจนี่มันจะทุกข์ทรมานใจมากกว่าตอนที่เรามีความอยากในตอนนี้เวลาที่เรามีความอยากใจของเราก็จะหมดหุดหิดลำคางใจแต่ถ้าเราใช้ปัญญาสอนใจว่า เราอย่าไปอยากดีกว่าเรากลับมาหาความสุขที่เกิดจากความสงบของใจดีกว่าเป็นความสุขที่บริสุทธิ์ไม่เป็นความสุขที่จะจะเปลี่ยนไปเป็นความสุขที่เราควบคุมบังคับได้สามารถทำให้เกิดขึ้นได้เสมอทุกเวลาที่เราต้องการเพียงแต่เราหยุดความคิดหยุดความอยาก ความสงบก็จะกลับคืนมานี่คือปัญญาที่พวกเราควรที่จะฝึกใช้กันเพราะถ้าเรามีปัญญาแล้วเราจะได้ไม่วิ่งเข้าหากองทุกข์กันทุกวันนี้พวกเราวิ่งเข้าหากองทุกข์กันโดยไม่รู้สึกตัวเพราะความหลงคิดว่าเป็นความสุขอะไรที่เรากำลังเดินเข้าหาที่เป็นความทุกข์ที่เราคิดว่าเป็นความสุข ก็คือราบยศสรรเสริญความสุขทางตางหูจมูกล้นกายนี่เองที่เราวิ่งเข้าหากันอยู่ตลอดเวลาแล้วเราเป็นอย่างไรเรามีแต่ความสุขกับสิ่งเหล่านี้หรือเราต้องมาทุกขกับสิ่งที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเวลาเราเข้าไปหาเงินหาทองนี้เรามีความสุขอย่างเดียวหรือเปล่าหรือเรามีความทุกข์กับการหาเงินหาทอง เวลาหาได้เราก็มีความสุขเวลาเราหาไม่ได้เราก็มีความทุกข์เวลาเราได้มาแล้วหมดไปเราก็มีความทุกข์อีกแต่ถ้าเราไม่ต้องไปหาเงินหาทองไม่ต้องหาสายเงินทองเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราเราก็จะไม่ต้องทุกข์กับเรื่องของเงินทองถ้าเราหาความสุขจากการทำใจให้สงบได้ เราก็ไม่ต้องหาเงินหาทองเพื่อมาซื้อความสุขต่างๆอย่างมากก็หามาเพื่อซื้ออาหารซื้อสิ่งที่จาเป็นต่อการดารงชีพซึ่งไม่ต้องใช้เงินทองมากเหมือนกับซื้อความสุขต่างๆถ้าเราใช้เงินทองซื้อความสุขต่อให้เรามีมากน้อยเพียงไรก็จะไม่พอเพราะสิ่งต่างๆที่ เราอยากได้เพื่อให้เรามีความสุขนี้มันมีมากมายและมีราคาแพงขึ้นไปตามลําดับตอนต้นถ้าเรามีเงินซื้อรถถูกๆเราก็ซื้อมาต่อไปถ้าเรามีมากขึ้นเราก็อยากจะเปลี่ยนรถจากรถราคาถูกๆเราก็อยากจะซื้อรถราคาแพงๆจะมีของอยากให้เราซื้อไปเรื่อยๆมีเท่าไหร่ก็ไม่พอนี่คือเรื่องของการ ใช้เงินซื้อความสุขและเวลาที่เราไม่มีเงินจะซื้อสิ่งที่เราอยากได้เวลานั้นเราก็จะทุกข์ทรมานใจดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะเข้าหาลาภยศสรรเสริญอย่าหาความสุขทางตาหูจนูกลิ้นการเพราะมันไม่แน่นอนบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ บางทีก็เจริญบางทีก็เสื่อมเวลาเจริญเวลาได้ก็สุข ด, ดีแต่เวลาเสื่อมเวลาไม่ได้นี้มันแสนทรมานใจบางทีทรมานใจจนไม่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปคนที่ฆ่าตัวตายนี้ก็เพราะว่าเขาหมดความหวังที่จะหาความสุขจากราภยดเสริเสริญหาความสุขจาก ทางตาหูจมูกม้นกายนั่นเองเช่นเวลาล้มละลายไม่มีสมบัติเข้าของเงินทองเหลืออยู่เลยจะต้องอยู่แบบขอทานอย่างนี้จะไม่มีความอยากที่จะอยู่ต่อไปอยากจะฆ่าตัวตายกันหรือเวลาสูญเสียคนที่รักไปก็ไม่อยากจะอยู่ต่อไปนี่แหละคือความทุกข์ที่เกิดจากความ เห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นสิ่งที่ว่าเป็นทุกนี้เป็นความสุขเห็นว่าลาภยศสารเสริญเป็นความสุขเพราะไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันมีเจริญมีเสื่อมมีเกิดมีดับมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถไปควบคุมบังคับได้ไม่สามารถรักษาเงินทองให้มีอยู่กับเราไปได้ตลอด วันดีคืนดีอาจจะหมดเนื้อหมดตัวขึ้นมาก็ได้เวลาหมดเนื้อหมดตัวเวลานั้นจะทุกข์ทรมานใจมากหรือเวลาต้องสูญเสียคนที่เราลากไปก็เหมือนกันเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันไหนเขาจะจากเราไปเขาจะปาจากไปแบบไหนเราก็ไม่รู้เราห้ามไม่ได้เมื่อถึงเวลาเขาจะไปเขาก็ไปอย่างนั้นแหละ ดังนั้นเราจึงอย่าไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญอย่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกั น, กนขอให้เรามาหาความสุขทางจิตใจดีกว่ามาหาความสุขด้วยการภาวนาทาใจให้สงบด้วยการเจริญสติตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจะใช้การบริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปก็ได้ หรือจะใช้การเฝ้าดูร่างกายไปก็ได้ตาบใดที่เราไม่คิดเรื่องนั้นอย่างนี้ก็ถือว่าเรามีสติแล้วถ้าเราคิดเรื่อยเปลือยไปคิดจงฟุ้งซ่านกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือเป็นบ้าไปอย่างนี้เรียกว่าไม่มีสติหรือเสียสติเพราะเราไม่รักษาสติกันเราไม่บริกรรมพุทโธพุทโธกันเราไม่เฝ้าดูร่างกายกัน เราไม่ให้ใจอยู่ในปัจจุบันกันเราปล่อยให้ใจลอยไปหาอาดีตลอยไปหาอนาคตที่ไม่เป็นความจริงความจริงมีในปัจจุบันนี้เท่านั้นอดีตนี้เป็นความฝันไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้หรือเมื่อชั่วโมงที่แล้วนี้เป็นอดีตไปแล้วเป็นความฝันไปแล้วไม่สามารถกลับมาได้แล้วอนาคตก็ยังไม่ได้เกิด ก็ไม่เป็นความจริงเหมือนกันความจริงเกิดขึ้นในปัจจุบันเท่านั้นเราสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีก็ได้ให้ไม่ดีก็ได้ในปัจจุบันเราไม่สามารถกลับไปเปลี่ยนอดีตเราไม่สามารถไปอยู่ในอนาคตได้เราอยู่ในปัจจุบันถ้าเรามีสติเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทาของเราเราก็จะสามารถ ควบคุมการกระทำของเราให้ทำในทางที่เป็นประโยชน์กับเราได้เช่นให้ทำทานให้รักษาศีลให้ภาวนาให้ทำใจให้สงบให้เจริญปัญญาให้คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เราไม่สามารถไปสั่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ถ้าเราควบคุมความาคิดควบคุมการกระทำของเรา ให้คิดอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้ผลที่ดีก็จะตามมาผลภายในใจก็คือความสุขความอิ่มความสบายใจผลภายนอกก็คือเราจะไม่มีปัญหากับใครจะไม่มีเรื่องมีราวกับใครเพราะเราไม่ไปทำบาปเราไม่ไปแก่งแย่งชิงดีไม่มีไม่มีการทะเลาะวิวาส ก, กับใครเรามีความพออยู่ในตัวเรา เราไม่มีความโลภอยางได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราไม่ต้องไปแก่งแย่งชิงดีไม่ต้องไปแข่งขันกับใครใครอยากจะได้อะไรก็ปล่อยเขาเอาไปเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เขาได้นั้นไม่ใช่เป็นความสุขสิ่งที่เขาได้นั้นมันเป็นความทุกข์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ต้องมีการเปลี่ยนไปนั่นเองเวลาได้มาก็ดีใจแต่เวลาที่เสียไปก็จะเสียใจ สำหรับเราเราไม่ต้องมีอะไรเพราะเรามีสิ่งที่ดีกว่าเรามีความสงบมีความสุขใจเรามีปัญญาที่จะสอนใจไม่ให้ประยับได้สิ่งต่างๆเราก็ไม่ต้องไปวุ่นวานไม่ต้องไปแข่งขันไม่ต้องไปทําบาปทํากรรมกับใครเราก็จะอยู่อย่างปกติสุดไม่มีใครมาสร้างความเดือดร้อนให้กับเรา ค น, คนที่เข้ามาทำความเดือดร้อนให้กับเราก็เพราะว่าเราไปทำความเดือดร้อนให้กับเขาก่อนนั่นเองถ้าเราไม่ไปทำความเดือดร้อนให้กับเขาเขาจะมาทำความเดือดร้อนให้กับเราทำไมยิ่งถ้าเรานอกจากไม่ได้ทำความเดือดร้อนแล้วเรากลับไปทำให้เขามีความสุขเขาจะมาโกรธมาเกลียดเราได้อย่างไรถ้าเราทำทางคนที่รับทานจากเราเขาจะมาโกรธมาเกลียดเราได้อะไร เราจะมีแต่เพื่อนมีแต่มิตรเราจะไม่มีศัตรูกับใครเพราะเราไม่ไปแก่งแย่งชิงดีกับใครเพราะเราไม่มีความอยากได้อะไรเพราะเรารู้ว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะมันไม่เที่ยงมันมีการเปลี่ยนไปมีการเจริญมีการเสือ่อมหมดไปเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับให้เขาอยู่กับเราไปได้ตลอด เราจึงไม่มีความอยากได้อะไรนี่แหละคือวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้าและพระอรหันย์อนิยสงสาวกทั้งหลายท่านดำเนินชีวิตอย่างนี้ท่านมีแต่ให้ถ้าท่านมีอะไรมากกว่าให้ท่านจะต้องเก็บเอาไว้ท่านจะไม่เก็บเอาไว้ท่านจะเอาไปแจกจ่ายแบ่งปันให้แก่ผู้เพราะท่านไม่มีความอยากได้อะไรไม่อยากจะมีภาระกับมัน มีอะไรแล้วก็ต้องคอยดูแลรักษาแล้วถ้าเราไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้ต้องมีมีไว้ทาไมมีไว้ทาให้เป็นภาระไปเปล่าป่ า, ปาสู้ให้คนอื่นเขาได้รับประโยชน์ดีกว่าแล้วเราจะได้มีเพื่อนคนที่ได้รับของจากเราได้รับประโยชน์จากเราเขาจะมีความรู้สึกที่ดีกับเราเวลาเราเดือดร้อนตกทุกข์ยากลาบาก เขาก็ยินดีที่จะช่วยเราเสมอนี่คือการปฏิบัติที่พุทธเจ้าสอนให้พวกเราปฏิบัติกันอย่าทำอย่างที่พวกเรากำลังทำกันอยู่คือมีความโลภมีความอยากได้สิ่งต่างๆทั้งๆที่สิ่งต่างๆนั้นมันไม่ได้ให้ความสุขกับเราที่แท้จริงและจะให้ความทุกข์กับเราแต่เราไม่รู้กันเพราะเราไม่ได้เข้าหาธรรมะ เราไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมกันอย่างสม่ำเสมอดังนั้นขอให้พวกเราพยายามเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างสม่ำเสมอด้วยการศึกษาด้วยการฟังเทศฟังธรรมแล้วก็นำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นนำเอาไปปฏิบัติแล้วรับรองได้ว่าชีวิตของเราจะมีความสุขมากขึ้นจะมีความทุกข์น้อยลงไปตามลาดับ จนมีความสุขเต็มเปลี่ยนอยู่ภายในหัวใจไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่เลยนี่แหละคือใจของพระพุทธเจ้าละใจของพระอรหันตสาวกทั้งหลายเพราะท่านได้ทําบุญได้ละบาปได้ชําระความโลภความโกรธความหล่นความอยากต่างๆจนหมดสิ้นไปจากใจแล้วใจของพวกเราก็จะเป็นอย่างนี้เหมือ น, นกันถ้าเราทําบาุญละบาป และชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ท่านได้นำมาไปพินิษพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุดและวามดักทุกข์ที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยึดติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณพระศรีรัตนใจรและบุญขุสงที่ท่านได้มาบเพ็นกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นตับใจให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้าการเทอ